แดนนรกขุมแรกที่พระมาลัยได้ไปพบนั้นก็เป็นแดนนรกที่มีภูเขายนต์อยู่สองลูกภูกเขาสองลูกนี้มีเครื่องกลไกอยู่ภายในเครื่องที่กระทบกันอยู่ตลอดเวลา ก็มาได้กระครบจันอย่างเปล่าๆในระหว่างกลางของภูเขานั้นก็ยังมีสัตว์นรกมากมายมหาศาลที่คอยถูกภูเขายนต์นี้บดขยี้ให้แหลกรานไปคล้ายๆกับดังหีบอ้อยที่บีบอ้อยแล้วมีน้ำอ้อยนั้นไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายสัตว์นรก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 ยันตรประสาดรกพระคุณเจ้าเป็นนร ก, นรกที่ดูแล้วน่าสมเพศ เ, เวทนาเป็นอย่างยิ่งเออนี่เ ป, นเป็นเพียง น, นร ก, นรกคุมย่อยๆเท่านั้นนะพระคุณเจ้าเอ้ยขอท่า น, นจงชมดูเถิดนี่เป็นคุ้มนรกเล็กๆเท่านั้นหรือทํำไมดูน่ากลัวอะไรจะขนาดนี้ กรรมและเล็กในน้อยเท่านั้นดอกลือและเป็นกรรมประเภทไหนล่ะอ๋อสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกขุมนี้ด้วยเครื่องทรมานต่างๆบางที่ได้เห็นก็เพราะว่าเขานั้นได้เคยจับสัตว์ใส่เครื่องบททั้งๆ ท, ท, ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละเออคนบางคนเห็นสัตว์อื่นเป็นของเล่นไปทาการซ้อมทรมานสัตว์ต่างๆ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 ว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะช่วยอะไรเขาได้มากไปกว่าที่ข้าพเจ้าได้กล่าวเอาไว้แล้วเลยทางนี้ก็ประวักรรมของเขานั่นแหละข้าพเจ้าก็จนใจจริงๆบุคคลใดทำกรรมใดไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแล้วการตกนตรกในคุ่มนี้นานสักแค่ไหนละ่ะ ท่านพอจะบอกกล่าวได้ไหมอ๋อจะนานมากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้ตะกรรมของเขาอีกนั่นแหละข้าว่าเจ้าไม่สามารถจะไปกำหนดว่าใครจะตกตลกสมนี้นานสักเท่าใดกรรมที่บุคคลทำไว้เองนั่นแหละจะเป็นผู้กำหนดเอง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 เคาะประตูสองข้างนั้นและแล้วประตูก็เผยออกมาทันทีที่ยมบาลก้าวนำเข้าไปปีศาร่างพร้อมกร่องก่องผิวดำสนิทราวกับฐานซึ่งอยู่เฝ้าภายในประตูก็ผุดลุกขึ้นแสดงความเคารพต่อ เท้าพญายมราชอย่างรวดเร็วเท้าพญายมราชได้พาพระมาลัยเดินเข้าไปข้างในครู่หนึ่งก็มาพบสระน้ำใสยเย็นขณะนั้นนายเนยรยาบานก็ได้จับสตัตว์กโยนลงกลางสระน้ำอย่างไม่ปราณีปลาใสา สัตว์รกนั้นก็ได้แต่ร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือครั้นแล้วร่างของมันเมื่อจมลงไปในน้ำก็งเงียบหายไปสักครู่หนึ่งร่างของมันก็ลอยขึ้นเอืดอยู่บนผิวน้ำอย่างไร้ชีวิตจิตใจมิใช่เพียงเท่านั้นก็ยังมีสัตว์รกอีกมากมายถูกจับโยนลงในสระน้ำแล้วกระดับดิ้นสิ้นใจพาร่างขึ้นมาเหนือน้าเช่นเดียวกันมากมายมหาศาล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 แล้วผานขึ้นมาข้างบนแล้วก็ถูกจับโยนโลงในน้ำเย็นนี้อีกเออพระคุณเจ้าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละพวกเขาทำกรรมอะไรมาดอกลอ่ถึงได้มารับผลกรรมในที่นี้เล่าโอ้ดูแล้วน่ากลัวจริงๆดูสิเจนจนซีดหมดแล้ว แล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกนายนิรยบาลจับโยนลงไปน้ำเย็นอีกโอ้ช่างน่าทรมานจริงๆเออสัตว์พวกนี้เมื่อชาติก่อนชอบผักคนหรือสัตว์ให้ตกน้ำตายบางคนก็จับสัตว์่วงน้ำจับคน่วงน้ำก็มีเออเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานหรือว่าไม่ได้สนใจว่าคนอื่นนั้น จมน้ำตายแล้วจะเป็นอย่างไ ร, งไรท้าวพญายามราชก็ได้พาพระเถระมายังคุมนรกอีกคุมหนึ่งเห็นเป็นประตูเหล็กใหญ่มหืมมาเชกเช่นเดียวกับคุมนรกสักครู่นี้ประตูก็ปิดสนิทอยู่ตรงกลางรายร้อมเป็นกำแพงไว้สี่ด้าน เมื่อประตูเปิดอ้าออกเจ้าแห่งนรกก็พาพระเถระเดินผ่านประตูเหล็กเข้าไปข้างในเห็นสนามหญ้าเขียวขจีมีลานกว้างใหญ่และก็มีสระน้ำเชกเช่นเดียวกับนรกที่ผ่านมาสักครู่นี้แต่ว่ามีดอกบัวชูสวยมีฝูงปลาตัวน้อยใหญ่แวกว่าอยู่น่ารื่นรมและสมควรที่จะเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าจะเป็นขุมนรกดูเหมือนจะไม่ช้าเท่าไหร่นักที่ประมาไหลทูกพามายืนอยู่ที่ริมสระน้ำนั้นครู่หนึ่งก็มีสัตว์นรกรูปร่างผอมโซเหลือแต่กระดูกราวกับอดอยากมานานปีต่างก็วิ่งกรูเข้ามายังห้องขังใหญ่ที่มุมสนามด้านโน้นคลั้นมาถึงสระน้ำต่างก็แย่งกันกระโจนลงกินน้ำ อย่างเหมือนกับว่าหิวน้ำ ม, มานับล้านปี